รอบที่สองรูปควรกําหนดรู้รูปสมุทยัยควรละรูปนิโรธควรทําให้แจ้งรูปนิโรธถ้าขาไม่มีปฏิปทาควรเจริญรอบที่สามกล่าวถึงทุกเนี่ยนะแทงตลอดด้วยการกําหนดรู้สมุทยัยเนี่ยแทงตลอดด้วยการละนิโรธแทงตลอดด้วยการทําให้แจ้งมรรค แทงตลอดด้วยการเจริญรอบที่สี่รอบที่สีนั้นหมุนแบบแปดประการเนี่ยนะเพิ่มนิโรธให้เป็นสีเท่าว่างั้นนั่นเพิ่มนิโรธเป็นสี่สีเท่าว่างั้นก็คือทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกการดับเหตุให้เกิดทุกความดับชันทราคะในทุก์อัศาธาแห่งทุกอาทีนวะแห่งทุกแล้วก็นิสรณะแห่งทุกแล้วก็เพิ่มโดยเฉพาะเอ ความดับเหตุให้เกิดทุกข์ความดับชันทราคาในทุกความดับทุกเนี่ยนะในกระทั่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากทุก์พวกนี้ก็เป็นนิพพานอันเพิ่มความเด่นชัดว่าถ้านิพพานนั้นหมายถึงการดับเหตุให้เกิดทุกหมายถึงการดับชันทราคะในทุกขหมายถึงการสลัดออกจากทุกขส่วนวาระที่ห้ารอบที่ห้าก็เป็นการแสดงตามสัตตัฐานสูตร ซึ่งตามสัตธฐานสูตรนั้นเป็นการกระจายพระธรรมในสังยุตตนิกายขันธวรรคข้อหนึ่งร้อยสิบเก้าหน้าหนึ่งร้อยี่ยี่สิบแปดเนี่ยนะผู้ที่พิจารณาแต่ถ้าจับสาระที่จะเอาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงก็คือตัวการปฏิบัติหมายถึงการปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญา คิดยังไงจึงจะเบื่อหน่ายคือมีนิพพิธาในรูปเนี่ยนะมันถ้าใครทรงจําอนัตตาปริยายสูตรหรืออนัตตลักษณสูตรเนี่ยนะถ้าทรงจําพระสูตรนั้นได้แล้วคิดตามนั้นย้ําตามนั้นบ่อยๆเชื่อว่ายังไงก็ต้องเบื่อหน่ายเนีย่ยนะเชื่อว่ายังไงก็ต้องเบื่อหน่ายเลยถ้าถ้าเรา ส, สรุปอนัตตลักษณะสูตรอย่างเช่น รูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าหากว่าขันห้าเหล่านี้จะเป็นอัตตาแล้วซใช่ทว่านะทว่าทว่าวันนี้ฝนตกน้ําท่วมเราคงไม่ได้เรียนธรรมะหรอกนะนะทว่าเนี่ยมันแปลว่ามันไม่จริงเนะีนะ่ยถ้าว่าเมื่อสมัยยังเป็นหนุ่มเป็นสาวนะก็แสดงว่าตอนนี้ไม่ใช่ใช่ไหมตอนนี้แก่แล้วเอย มาในประโยคถ้าว่านี่เรียกว่าประโยคปริกร์แล้วนะก็แบบถ้าเรียนแบบฝรั่งก็บอกว่าถ้าฉันเป็นคิงจะให้เธอเป็นอะไรถ้าเป็นควีนใช่ไหมถ้าเป็น킹จะให้เป็นควีนซึ่งมันเป็นไปได้ที่ไหนนะท่านนี้ก็เหมือนกันบอกถ้ารูปถ้าว่ารูปจะเป็นอัตตาถ้าว่าเวทนาจกเป็นอัตตาถ้าว่าสัญญาสังขารวิญญาณจกเป็นอัตตาแล้วไซคันห้าเหล่านี้จะไม่เป็นไปเพื่อภาพ และต้องได้ตามความปรารถนาสิว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ต้องไม่เป็นอย่างนั้นคัดสรรได้ทั้งหมดรูปต้องเป็นรูปอย่างดีเวทนาต้องเป็นสุขสัญญาต้องเยี่ยมเจตนาก็ต้องเยี่ยมสังขารก็ต้องเยี่ยมวิญญาณก็เยี่ยมยอดไปหมดเลยมันต้องได้อย่างนั้นสินี่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้อันนะัถ้าดูมหาสัจกะสูตรก็ชัดเลยนะบอกถ้ารูปเป็นอัตตาเนะ ถ้าคุยกับมหาสัจจการนิครณเนี่ยสัจจการนิครณเนี่ยแกเป็นคนพุงพุ้ยรูปไม่หล่อถ้าเทียบกับพวกชายหนุ่มกษัตริะสับฤาษีเนี่ยนะถ้ารูปเป็นอัตตาทําไมท่านไม่ทํารูปให้เหมือนชายหนุ่มเหล่านั้นล่ะนะทําไมไม่ทําให้มันงามแบบหนุ่มเหล่านั้นอ่ะทําไมพุงก็ยื่นไม่มากนะนะแต่ก็เพราะว่ารูปมันเป็นอัตตาคุณจึงไม่มีอํานาจในรูปพอจะจะทำให้มันอะไรทำไมไม่เสกให้ตัวเอง เป็นอย่างชายหนุ่มดิชวิละ่ะเพราะนั้นรูปมันเป็นอนัตตามันไม่มีใครมีอำนาจแต่มันเป็นไปตามอาัตใจของเขาอะนะเวทนาก็เป็นเหมือนกันเป็นอนัตตาถ้าหากว่าเวทนาจากเป็นอนัตตานะเวทนามันไม่มีอาพาธหรอกเคยใครเคยเวทนาอาพาธบ้างไหมอยู่ๆแล้วนึกไม่สบายใจไม่มีเหตุผลอะไรสักอย่างอันไหมอันนีอยู่ๆแล้วนึกทําไมไม่สนุกเลยนะไม่โสมนัตเลยอย่างเงี้ยก็คือมันโทมนัทมานะ ทำไมอยู่ๆก็โทมานัดเป็นต้นเนี่ยอันนี้แหละเวทนามันก็อาพาธสัญญาก็อาพาธโดยเฉพาะพยาปาทาสัญญาเป็นต้นวิหิงสาสัญญาก็ชื่อว่าอาพาธแลวเจตนาเนะเจตนาก็อาพาธจิตก็อาพาธเนื่องจากมันเนี่ยนะเป็นอนัตตาเนี่ยจึงไม่มีใครมีอำนาจอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นขันห้าจึงเป็นอนัตตา ทานตมหาตุกสูตรก็บอกขันท่าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ใช่อะ่ะเมื่อมันไม่ใช่จึงไม่มีใครมีอํานาจในในขันท่าอย่างแท้จริงอ่ะนะเพราะมันเป็นอนัตตานั่นแหละมันจึงไม่ใช่ของเราอะนะแต่แต่ได้ ม, มองคิดแบบปุถุชนเราก็ยังแอบคิดว่ามันของเราอยู่ดีนะ่ยังแอบคิดว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่นั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นอนัตตาเนี่นะมันไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใคร ถามาแล้วมันเป็นอะไรมันก็เป็นขันหานะนะั่นแหละจะถามโดยปริยายรายๆพิจารณาโดยปริยายใดๆก็คือขันห้าวันอย่างค่ําแล้วะผมก็ถามว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บอกเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเรานะมันต่อต้านนะนะต่อต้านในการในการยึดใช่ไหม ควรรืดไม่ควรพระเจ้าค่ะถ้าพูดแบบชาวโลกนะเขาบอกว่าถ้าใครพูดคําว่าไม่นะสภาพเขาบอกว่ากล้ามเนื้อในร่างกายเนะนี่ยมันมีการต่อต้านอยู่นะนนะเช่นเราไม่อยากกินอาหารนี้แต่ฝืนไม่แต่ก็ต้องเคียเค้ยวแล้วกลืนเคี้ยวแล้วกลืนนะีอาหารนั้นเปอร์เซ็นท้องเสียเนี่ยสูงมากถ้ากล้ากลืนฝืนใจแลกกินนะในที่สุดลําไส้มันไม่่อยทํา ง, งานเพราะมันต่อต้านมากเลยนะมันไม่ต้องการรับโดยประการทั้งปวง การพิจารณาขันห้าจนจิตมันต่อต้านจริงๆไงนะก็น่าจะดีเลยจิตมันต่อต้านในการยึดถือขันห้าก็ย้ําอยู่เสมอว่าอะนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มีความเปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วก็ตอกย้ําว่าตัวมันเองไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใจก็รับอยู่ตลอดมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ถามว่าสภาพจิตมันต่อต้านขนาดไหน ถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆนะั้นมันจะเบื่อกับทุกข์ขันจริงๆเบื่อไม่ก็ทั้งความคิดอันนั้นด้วยนะอย่าลืม <c oughs> เบื่อเป็นบางเรื่องอาจจะลาบากมากนลยอย่าลืมเบื่อความคิดอันนั้นด้วย <c oughs> ท่านก็ถ้าเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความเปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วย้ําอยู่เสมอว่า น, นั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราแล้วพระองค์บอกว่ามันไม่ใช่เท่านี้เท่านั้นนะ แม้ขันห้าเหล่านี้ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาละเอียดเลวประณีตไกลและไกล้เธอควรเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราก็ย้ำอยู่นั่นแหละย้ำอยู่เส ม, มอว่าอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลก็ตามมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วมันก็เป็นอนัตตา มันจะดีดอนาคตปัจจุบันวันยังค่ําภายในภายนอกมันก็คืออนัตตาธรรมมันคือธรรมที่เป็นอนัตตามันไม่เทีย่ยงเป็นทุกมีความเปรปรวนเป็นธรรมราจิตก็ต่อต้านอยู่เสมอว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราถามว่าเป็นไปได้ไหมที่คิดอย่างนี้แล้วจะเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายไหมในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในวิญญาณเป็นไปได้ไหม ย้ำอยู่อย่างนี้ย้ำแล้วย้ำเล่าย้ำแล้วย้ำเล่าอย่างเงี้นะก็ถ้าอริยาสาวกเมื่อเห็นอย่างนี้ก็ย่อมเบื่อหน่ายถ้าเบื่อหน่ายจริงๆก็คลายกำหนัดนะน่ะอริยามรรคก็จะเกิดเองถ้าเบื่อหน่ายเต็มที่เนี่ยนะทั้นถ้าปฏิบัติเพื่อเบอื่อหน่ายและคลายกำหนัดชื่อว่าปฏิบัติชอบในในศาสนานี้เนี่ยนะทั้นในวาระที่ที่ห้าเนี่ยนะรอบที่ห้าที่กล่าวถึงเอ ยกตัวอย่างในสัตตฐานสูตรว่าถ้าเสขาทั้งหลายเนี่ยนะคือผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดการปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกําหนัดในอุปาทานขันห้าหรือในธรรมะร่วมสองร้อยเนี่ยนะร่วมสองร้อยเพราะว่าหักโลกุตระออกไปถ้าปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกําหนัดในสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังไงก็ต้องทําที่สุดแห่งทุกข์จนได้แลนะ้วแหละฉะนั้นถ้าเรา จะไปเจริญพิปัสนาเนี่ยนะพูดแปลเป็นภาษาไทยว่าไปหาที่เบื่อขันห้าบอกว่าอยากจะเจริญพิปัสนาเหลือเกินก็คือว่าหาที่จะเบื่อจากขันห้าไปอยู่ที่ไหนน่าจะเห็นโทษขันห้าให้มากที่สุดเออเนี่ยหาสถานที่สัพายักคือหาสถานที่จะได้เห็นโทษของขันห้ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเห็นโทษเอาทำไมไม่ไปอยู่ที่ที่ไหนดี ที่มันชุลมุนวุ่นวายที่บ้านเมืองมีสงครามจี่จะได้เห็นโทษไม่ใช่เลยใช่ไหมพระ อ, องค์บอกว่าหาหาที่สงบที่หลีกเล้นเพราะว่าการเห็นโทษไม่ได้เห็นโทษที่เกิดจากการชุลมุนวุ่นวายแต่เกิดจากความสงบระงับนี่นะจิตต้องปกติเป็นอย่างมากเลยนะจะต้องเป็นจิตเป็นผู้ที่จิตมั่นคงมีความสงบเยือกเย็นไม่ใช่เรื่องของคนฟุ้งซ่านอะไรที่จะเห็นโทษอย่างนี้นะเป็นเป็นวิสัยของบัณฑิตจริงๆนีนะ ขันธ์าผู้ที่ทํากิจในศาสนานี้เสร็จก็คือผู้หลุดพ้นแล้วไม่มีฉันทราคะในในทุกอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้ามองตามขีณาสะวะัภละเนี่ยนะกำลังของพระขีณาศพเจ็ดประการก็ตามสิบประการก็ตาม <S <S กําลังของพระขีณาศพสบิบประการเนะี่ยเอาสิบนี่มาข้อแรกเห็นขันท่าหรือสังขารทุกชนิดไม่เที่ยงอันนี้ถือว่าชํานาญ ม, มากสังขารใดก็ตามนะียถ้าท่านมาน้าศการอาวัชนะ อาวัชนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงโอ้ชำนาญคล่องแคล่วฉันทราคาที่มีต่ออุปาทานขันห้าเหมือนหลุมฐานเพลิงเนี่ยตัวนั้นเนี่ยเหมือนกับหลุมฐานเพลิงอะไรนะหลุมฐานเพลิงชัดๆเนี่ยนะการที่ปล่อยจิตให้เพลิดเพลินในขันห้านี่มันเกลื่นยาพิษชัดๆเลยนะเกลิ่นยาฆ่ายาชัดๆเลยนะถ้าถ้าฉันทราคะที่ไปเพลิดเพลินในอุปาทานขันห้าท่านเห็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ แล้วท่านเห็นว่าจิตของท่านโอนไปในวิเวกนะน้อมไปวิเวกเงื้อมไปในวิเวก ค, คือนิพานเนี่ยนะก็ยังในมหาสุญญาตาสูตรอัตกถากล่าวถึงว่าวิญญาณทั้งสิทธ์ของพระพุทธเจ้าน้อมไปสู่นิพานอย่างเดียวนะน้อมไปสู่วิเวกโอนไปสู่วิเวกโดยที่สุดแม้กระทั่งถ้าพระ อ, องค์แสดงธรรมจบนะประชาชนหรือเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอนุโมทนา สามครั้งสาธุสาธุพระองค์เข้าพระราสมาบัติแนละ้วออกมาพร้อมกับเขาสาธุการจบแสดงธรรมต่อเนี่ยนะคือจิตของพระองค์เงื้อมไปในวิเวกโดยส่วนเดียว น, นะไม่มีคืออารมณ์คืออุปาทานขันห้าเป็นอารมณอขัจัยเท่านั้นมณสิการเหมือนว่าสักแต่ว่ามณสิการเพราะไม่ถือว่านิมิตเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเคืองและลุ่มหลงใส่ใจโดยอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ของ วิปัสนาอย่างคล่องแคลวเพราะสังขารทั้งกวงเนี่ยไม่เที่ยงนี่ชำนาญถ้าบอกว่าไม่เที่ยงชำนาญแสดงว่าทุกอารมณ์นีอนนนนน่อนุปัสนาเจ็บเนี่ยนะแม่นยำมากอนุปัสนาเจ็บอยากจะพูดว่าเหมือนกับที่เดียวเนี่ยถูกอาวุธยิงไปเจ็ครั้งอ่ะนะยิงซ้ําในที่เดียวอ่ะนะยิงครั้งที่หนึ่งอ่ะนะเสมอรูปอ น, นิจจอนุปัสนายิงครั้งที่สองอีกทุกขานุปัสนาย้ำตอกย้ำครั้งที่ทาสาม อ, อีกนะยิงซ้ำในนั้นแหละนะเป็น อนัตตานุปัสสนาแล้วก็ยิงซ้ําอีกเป็นนิพพานุปัสสนาและยิงซ้ําอีกครั้งก็เป็นวิราคานุปัสสนายิงซ้ําอีกครั้งเป็นนิโรธานุปัสสนายิงครั้งสุดท้ายทาลายเลยเป็นปฏิสิณิสักานุปัสสนาทะลุทะลวงหมดเลยอย่างงี้นะพราะฉะนั้นถ้าก็ยำ้ยำยำ้ำย้ำย้ำอยู่อย่างนั้นเนี่ยในทุกอารมณ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนั้นถือว่าเป็นกําลังของท่านเลยที่จะตามเห็นโดยอนุปัสสนาเจ็ดในทุกอารมณ์ แต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะอิทธิของท่านดำรงในสติปทาน 4, สี่สัมาะปทานสี่ที่บาทสี่อินร ท, ทรี่ห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมัติมีองแปดโพธิปัฏฐยธรรมเนี่ยนับไปแล้วมีเจ็ดข้อหนึ่งสติปทาน 4, 2, สี่สองสำมาะปทานสี่สามอิที่บาทสี่สี่อินร 4, 4, ีน่ห้าห้าพละห้าหกโพชฌงเจ็ดเจ็ดอริยมัติมีองค์แปดตอนนั้นเขาเรียกว่ากําลังของพระขีณาสกสิบ ป, ประการท่านท่านมีกําลังขนาดนั้น เรียนถามท่านอาจารย์นะครับสำหรับออนุปัสนาสามคือการไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นนัตตาเนี่ยมีนัยยะในการเจริญหลายหากอย่างอย่างโตสี่สิบนี่ก็เป็นนัยยะของอนิจจังสิการนาตาใช่ครับครานี้นิพพานุปัสนาวิราคานุปัสนาเนี่ยจะมีนัยยะในการที่จะเจริญที่ให้เห็นให้เบื่อหน่ายให้ใคลายกำหนัดอย่างอื่นด้วยไหมครับนอกจากจะเป็นผลของอนุปัสนาสาม ก็มีที่แสดงตรงๆเลยก็คือเจริญอาทีนวัสัญญาเพราะนิพิ t ากับอาทีนวะเนี่ยเดียวกันนั้นก็เจริญกลุ่มอาทีนวานุปัสสนานั่นเองก็กล่มนั้นน่ะนะแต่จริงอาทีนวัตสนะอาทีนวานุปัสสนาก็คือโรคาโตหรือคันดะโตเนี่ยนะะมันก็เป็นทุกขานุปัสสนาอยแล้วก็ถ้าไม่เห็นวัตถุนั้นโดยความเป็นทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยมันก็ไม่น่าเบื่ออะไร เพราะจริงๆอันนี้จังทุกขังอนัตตาคือสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่ามองคนละมุม